จะพูดให้ฟังเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติธรรมที่เรากำลังทำอยู่ขอขี้ขอดำถ้าไม่ขี้ก็ไม่ได้ถ้ารู้แล้วไม่ขี้ก็ไม่ถูกต้องก็ไม่รู้ไปขี้ก็ไม่ถูกต้อ ง, ตองแต่มั่นใจ จะไม่พาหลงทิศหลงทางการศึกษาธรรมะนี่เป็นการศึกษาแบบกวดวิชาในการในภาคปฏิบัตินีไม่เหมือนกับเรียนป ร, ริญญาป ร, รีต้องไปท่องตำราตำรานักธรรมตีโทเอกสามชั้นสามปีหนังสือก็หลายเล่ม อ่าราท้องให้ติดปากจำไหมได้ไปสอบบอกปัญหาต้องเฉลยปัญหาได้ตอบถูกจริงจะได้ผ่านชั้นนั่ น, น, นไปนี่ก็เป็นการศึกษาภาคปฏิบัติเช่น ในตา ร, ราสอนไ ว, ว้ว่าภาวะโกว่าพิในบัญญัตอิอักษศาสตร์แอย่างนิสัสี่อาการณียกิจสี่ทุนรองนัน้นปัจัยเครื่องอาศัยของเรามีสี่อย่างตําไม่ภาคผลิชิตที่หนึ่งสติความรึกได้สมปูร ญ, ญ์ยั่งความรู้ตัวแร้มันทําให้งามสองอย่างขันติความบททนสริเฉลวความใจเย็ญญ บุคคลหาดียากสองอย่างบุพการีบุคคลผู้ลูกปลาละก่อนอัตโนตเวทีบุคคลผู้ลูกปกาละที่ทําแล้วลราตอบแทนอย่างนี้นราถอดท่องเอาท่องแล้วก็อธิบายคําว่าอุปการะทําไมพระเจ้าจึงวาหาชากคนหาที่ยากที่ไหนก็มีแต่คนจนไม่มีที่ให้อยู่แล้ว ที่นีกน่ก่อนก็ไม่มีคนอยู่เป็นป่าเป็นดงที่คนมันล้นโลกขึ้นมาอยู่ที่นี่มาถางป่าถางดงอยู่อาศัยไล่ที่ลาค่าที่อยู่มาหากินที่นี่สูญเสียธรรมชาติธรรมชาติก็ถูกทำลายไปเกิดภาวะโลกร้อนเพราะคนเบียาบทําไมพระเจ้าจึงว่าหาดียาก เวลาหัวใจนี่กนเกือบบ้าไคนแล้วเพราะหายากสองอย่างสองคนใครสองคนนี่คือใครคืออุ ป, ปการีบุคคลผู้รูปกาละกล่นใครเป็นผู้รูปกาละกล่อนหมายถึงคุณพ่อคนแม่ครูบาอาจารย์พระพุะทธธรรมประสงค์ผู้ที่บอกที่สอนความจริงนําประโยชน์เราเติบโตมานี่มีผู้ทำกับเราแล้ว <c oughs> มีแผ่นดินมีที่อยู่อาศัยมีถนนทางไห้น่ามีไฟมีโรงไฟฟบามีโรงเรียนแม้แต่เรานี่ก็ถูกบอกสุงสอนมาผูคนแรกคือพ่อคือแม่สอนเราเรื่องเรามานี่อุปการะก่อนแล้วทำกับเรามาแล้วเราเป็นนี่คุณพวกนี่ อันดวคนที่สองคือใครกรตัญญูตะเบทีต้องตอบแทนคือเราต้องตอบแทนหายากไหมคนสองคนน่ะไม่ใครทำดีตอบเราด้วยไม่ใครตอบแทนความดีตอ่อผู้ที่ทำกับดีความดีกับเราได้บ้างแค่ไหนเพียงไรกับพ่อกับแม่กับครูาอาจารย์ ดังมีเขียนไว้แม่อุ้มลูกเขียนไว้ว่ายามเจ็เท่าหวังเจ้าเฝ้ารักใช่ ย, ยามเจ็บไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษายามต้องตายว่าวายชีวาหวังให้เจ้าปิดตาเวลาตายอันนี้เป็นความคิดของกตัตัญูต่อเวที ท่านเรียกมาแล้วเรี่ยงท่านตอบทงกิจการงานของท่านดำรงมระกุลพุทธสมควรให้สมควรรับสมรดกเมื่อาท่านล้องรับไปแล้วทงหมดทุกที่ให้ท่านอันนี้คือตอบแทนพอนนี้จึงหาทียาก <c oughs> ถ้าอธิบายว่าก็อยู่กับเราเนี่ยเรารักพ่อเักแม่เราทำไง ต้องเป็นคนดีมานะปฏิบัติธรรมเี่โอ้ยอยากให้แม่มาดูเราโดนจงกรมอยากให้แม่มาดูเราน่องสร้างสติอันนี้ลูกชายของแม่คนนี้ไม่เสียค่านมนมลูกสาวของแม่คนนี้ของพ่อคนนี้ไม่เสียค่านมนมต้องให้มั่นใจอย่างนี้แลไปบอกกับแม่กับพ่อลองดู ว่าแม่ลูกเสาของแม่คนนี้ไม่ชั่วเด็ดขาดไม่เป็นคนเลวหรอกอย่างนี้เลือกบกตันอยู่แต่เวทีให้แม่ได้ชื่นใจว่าลูกเป็นคนดีว่าแม่ก็มีความสุขใจทุกใดแม่ทรมานจีใจพ่อแม่เท่ากับลูกกับพื่อชั่วเสียหายเนอถ้าเราตอบแทนหมดคนก็มีความสุขได้บุญจากลูก ถ้าเราท้งชั่วก็ได้บาปจากลูกปุตตะนรกตกนรกเพราะลูกเดี๋ยวนี้มีคนตกนรกเพราะลูกกันเยอะแยะบ่นกันเยอะแยะใครก็เป็นทุกข์เพราะลูกไม่เหมือนสมัยก่อนที่พวกเราเป็นลูกของพ่อของแม่ไม่เหมือนคนเป็นลูกของพ่อแม่ทุกวันนี้จึงหายา อันนี้เลยว่าปฏิบัติธรรมคือทําไมตอบแทนบุญท่านไงเนี่ยเราสร้างสติเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยไม่ทําชั่วคนมีสติก็เป็นคนเล่าความชั่วคนมีสติก็เป็นคนทําความดีเห็นคนมีสติก็เป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์เป็นการรักษาสินไว้ในตัวนะไม่ใช่เป็นสมานทานพุทธปานาติปาตาเวลามณีเวลาใดที่มันโกรธขึ้นมาก็ ประหารปะหานทางความคิดเป็นบาปเหมือนกันคําพูดก็ทําให้เป็นบาปไปฆ่ากันให้เจ็บปวดนี่ฆ่าด้วยคําพูดเจ็บปวดเจ็บใจเจ็บใจไม่ใช่เจ็บกายแต่มันเจ็บใจเพราะคําพูดของคนทำให้โกรธเครื่องเทียนได้ฆ่ากันตายได้เราอยู่เนี่ยสํารวมอยู่เนี่ยมีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันก็เป็นการรักษาศีลเรา ขวดพิชาไหมถ้างไปรเรียนศิ้นห้าสิ้นแปดสิสิบสิสองยี่สบก็บสติตัวนี้นะความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันเป็นจับสายบังเหียนของชีวิตเราได้ทั้งหมดเลยจึงกวดวิชาอย่างยิ่งเลยแม้ประจัยเป็นดกแปดเปิงสีพันเรื่องมีอยู่ใส่ตะก้าไว้สามตะก้า แมื่สพันมาสาตะก้าไว้สตะก้าด้วยไตรไตรไปวัสา3ตะก้าที่หนึ่งสายพระวินัยปีดกมี2 0 0 0มใช่ไหมสี่มืน 20,000 สองมื่นองพเรื่องพระท่านวินแบบพระสูตตันตีดก มีสองหมืสองพันเลือกพระอภิธรมปิดอกแล้ก็กที่สมนมมีสี่หมื่ี่พันเลือรวมเเป็น8มนี่พเลืออยู่ที่กายที่ใจเราดีเพราะนั้นเราจึงมากวดกันดูสิมันจะเป็นศิลได้ไหมเป็นปัญญาได้ยงไง ถ้าเรารู้เรื่องกายเนี่ยมันอยู่ที่นี่ลา บ, บก็อยู่ที่นความชั่วอยู่ที่นี่ความดีก็อยู่ที่กายที่ใจเราเนี่ยไม่อยู่ที่ไหนไม่ได้ไปขอใครอย่างที่เราสวด ต, ตดน้ําเป็นของโบราณภาคใต้ขอเทวดาจังไนจงบอกสัตว์เราหน้าให้รู้เทวดาที่ใดเรียกร้องใครขอวอนอ้อนบอนจกไง ไม่ถูกต้องมันต้องอยู่ที่เรามีขันหาขันขันขันเดียวมีขันสีขั น, อ ย, น อ, ยอยู่ในยพนอยู่ในภหน้วยพบใหญ่อยู่ในภูมิทั้งสามอยู่กํกำเนิดทั้งสี่คือใครสัตว์ที่ไหนคือเรานี่เองมีขันหาขันคือชีวิตของเรานี้สัตว์โลกเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีกายมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณ นี่มันท่องเที่ยวไปที่ใดใจมันคิดไปไหนท่องเที่ยวไปเป็นรักเป็นชังที่ใดโกรธกี่ครั้งหลงกี่ครั้งทุกข์กี่ครั้งพอใจเสียใจเท่าไรวัฏฏต้องสันนับไม่ทุวนความรักก็เกิดแก็เจ็บตายอยู่ในความรักความโกรธก็เกิดเจ็บเจตายในความโกรธความทุกข์ก็เจ็บเจ็บตายในความทุกข์เป็นภพ ภบคือภาวะภาวะที่มันเกิดก็ให้เทวดาเทวดาคือเนี่ยความรู้สึกตัวหิริอดตตปะไม่ให้ความคิดก็อายอายความคิดของตนเองไม่กล้าคิดนี่เทวดาละ่ะกลับขึ้นมาแล้วช่วยแล้วช่วยไม่ กไปในชีวช่วช่วยดูแลรักษากายช่วยดูแลรักษาจิตใจกา ย, ก, ายก็ต้องมีตาดูมีสติรู้โลกอย่าไปกินเล่าอย่าไปสูบบุรีอย่าไปทำให้ผิดคนอื่นเดืด อ, อดร้อนอาอนัลดรับประพุติผิดในกรรมรักษาสารายหายสามโทษอันนี้รู้ว่า เทวดาดูเลยไม่ไปทําลายรักษาให้ดีมีสติบุคคลรักษาแล้วเรานั่งอยู่สร้างสติเราเดินอยู่สร้างสตินี่การรักษาสี่งแล้วให้่าสัตรูมันรักทรมาพึ่ปลี่นใจกรรมแล้วให้มันคิดไปก็ไม่ได้คิดแล้วแล้วก็ดูแลดีๆอันนี่ให้บัดซบอย่าให้หมักหมม ไปด้วยสิ่งปฏิกูลกินเล่าสุโุรีอะไยเสพติดต่างๆแล้วก็ไปโทษรักษาใจใจมันก็มีความห ม, กมักหมมอารมณ์น่าอารมณ์น่ า, า, นาสุกปุกที่เป็นค่าสึกต่อจิตใจคืออารมณ์เน่าความโลภความกดความหลงความวิตกความก ว, ว, วลเศร้าหมอง มันมาทําให้ จ, ใจิตใจเป็นข้าศึกต่อ จ, จิตใจอารมณ์น่าต้องชําระออกชำระออกคื อ, อยังไงรู้ศึกตัวเมื่อมันโกรธขึ้นมารู้สึกตั ว, ตวเปลี่ยนควโกรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เรื่องวัสดระอารมณ์น่าไม่ใช่ไปอาบน้ําไม่ใช่ไปรตรวจน้าเดี๋ยวนี้สละออก ไม่มีอะไรที่เห็นตัวเราเท่ากับมีสติรู้สึกตัวเนี่ยจะลราออกไปสนุกดีสนุกเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องสุดยอดที่สุดเลยชอบที่สุดอยู่โดยชอบที่สุดเวลามันหลงเป็นตัวลูกเขาไปใมันชอบที่สุดเวลามันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นความลูกเขาไป น, นี่แหละอยู่โดยชอบ กเกมีพิกเวพิกุสมเาแตไม่ได้เลยภาษามือวิ่หลยยู่เอาสุนโยโลโกหันเตสิเราพูดจะด่อยเพื่อโกโกโ้อ้างพระสูตเพราะมีผระสูดอย่างเนี้ยพิกูุทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบแล้วโลกจะมาบ้างจากพระาราหันอยู่โดยชอบคือเนี่ยมันหลงไปรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่อยู่สุกตันะ นั่งรถแม่ที่ทำงานเรียนหนังสืออะไรต่างๆเรียนาทุกอย่างไม่ทุกชอบแล้วถูกที่สุดความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องที่สุดความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธถูกต้องที่สุดความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องที่สุดนี่แหละอยู่โดยชอบอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในการกระทําของเราอยู่กับกรรมาฐาน กรรมฐานไม่ใช่รูปแบบแล้ววนนอกรูปแบบเราไปใช้เลยเรามาหัดเบืองตอน้นนี่เรียกว่าสละอารมณ์เล่าที่เป็นค่าศึกต่อจิตใจให้รู้จักรักษากายรักษาใจตนเองด้วยอย่าห ม, ม, มกงมหมกบุนคุณคิดให้ความกดความทุกข์นอนอยู่กับใจนี่นอนเนืองหรือว่านอนเนืองเป็นถนนเป็นนิสัย ได้ไปเปืออะไรเพื่อนอะไรม า, รมาแล้วก็มาเดือนล่นตัวเองไม่พอมาเดือล่อนคนอื่นอีกนี่เราจึงมาเรียนลัดที่สุดเลยขวดวิชาที่สุดเลยมาต่อหน้าต่อตาเห็นตรงตรงันหลงก็ไม่ตรงไปท่องว่าอากุนลมูลลังเง่าของโอโซนลมูลหนึ่งสงสามคือโลภะหนึ่งโทสะหนึ่ง เรียกว่ากุศลลมลเมือ่อ เ, เ, เกิดขึ้นแล้วอกุศลเหมือนทียังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดกันแล้วก็เจริญมากขึ้นอะไรท่องได้เต้นไพ่รูปท่องได้ตอบได้สอบอ ท, ทั้งทำมช่นตีเช่นโจเชเด็กได้เมื่อมาปฏิบัติโอ้ยอกุศลมูลคือความหลงเองมันไม่ไปอยู่ในหนังสือมันอยู่ในเรานี่ยเพราะมันหลงขึ้นมาหลงออกไปทางไหนล่ะ อ้งตาบ้างอ้างหัวบ้างจะหมดดิ้นกายใจว่ามันหลงไปกลับมาลู่จุดตัวได้โซนความหลงกลยเป็นความหลุเกิดมีความฉลาดอยู่ตรงไหนก็เปลี่ยนอกุศลมูลเป็นกุศลมูลกุศลมูลคืออะไรอโลถภะหนึ่งอโศกหนึ่งอโมห์หนึ่งหนึ่งสสามนี่มีอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้น ถ้ามีตัวลูกไปก็เป็นมัรดาของความกุศลกุศลดีไปเ ร, ปรื่อยๆเป็นรรปัญญาไปเรื่อยๆเป็นบุญไปเรื่อยๆเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เป็นบุญแล้วความหลงไม่ได้ยิ่งใหญ่พาเราไปทาชั่วคิดชั่วพูดชั่ว อ, อารโลภหนึ่งอโศกหน่งไม่โลภไม่กอดไม่หลงไปเปลี่ยนที่ใดล่ะใครห้าม ไปติดคุกติดตารางอันนั้นหรือไม่ใช่ถูกต้องมันโกรธก็รู้สึกตัวเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธสร้างกุศลในอกุศลเหมือนกับความมืดมีในความสว่างความสว่างมีอยในความมืดความทุกข์มีอยู่มีปัญญาอยู่ในความทุกข์ความทุกข์มีความไม่ทุกข์อยู่ตรงนั้นความหลงมีความไม่หลงอยู่ตรงนั้นความโกรธก็มีความไม่โกรธอยู่นั้นมันตรงกันข้าม มันก็จะเอกสานจนได้หลักฐานเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจมันวัตถุพิโลกันก็ไม่อยู่ที่ใดมันอยู่นี่เป็นเรื่องของกายของใจเรานี่เหมือนกันหมดทุกคนอย่าไปอ้างว่าศาสนาใดลทัทธิใดในี้กายใดเพศใดอะไรไม่ต้องมาอ้างมันเป็นเรื่องชีวิตของเราคยโกรธก็เหมือนกันบโกดในโลกเนี่ย ใครทุกข์ก็เหมือนกันหมดใครหลงก็เหมือนกันหมดแต่หลงคนละวาละเรื่องตนละเรื่องละเล่ากันแต่ความกดความโลกความหลงเหมือนกันแต่เป็นภัยต่อชีวิตเราด้วยชีวิตคนอื่นด้วยเราจึงมาเรียนเรื่องตัวเหล่านี้อย่าไปอ้างว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นนักบวชเป็นใช่นักบวชเป็นพระบาทญาติโยมไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของชีวิตเราเหมือนกันหมด นี่คื อ, อการศึกษาของชีวิตแท้ๆเป็นบุญก็อยู่ตรงนี้บุญคือใจดีเปลี่ยนล่ายเป็นดีได้บุญน้อยๆหรือนิพพานน้อยๆต้องได้กระแสซะหน่อยก่อนให้เห็นทิศเดินทางก่อนงั้นเราจะเดินทางไปทางไหนต้องมีทิศทางมีข้อมูลพอสมควร อย่างเราจะมาสุโกโตนี่ก็ต้องมีข้อมูลมาทำไมไม่ใช่มาเที่ยวหล่งท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นข้อมูลผิดๆไปบางคนอ่อานหนังสื อ, อสรุปการเดินธรรมยัตตาปีที่แล้วว่าทำไมจึงมาเดินธรรมยัตตาอยากเห็นวัปฏาสุโกโต เดี่ยวมาเที่ยววัดป่าสกุกโตเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวเป็นที่ปฏิบัติธรรมถ้ามาที่นี่ไม่ต้องขออนุญาตจากใครมาได้เลยมาแล้วก็มาบอกสำนักงานนั่นจะอยู่ที่นี่เขาจะมีคู้อยู่ที่นั่นเขาจะให้คุเช่ให้ผ้าหม่มให้ที่อยู่อาศัยให้ นอนมีสตินี่สำหรับที่นี่สำหรับมาปฏิบัติไม่ใช่มาทำพิธีดีตรงปลูกเศษหาเลขเขาหัวหวยหาเครื่องลังของขังนะไม่ใช่นาเจริญสตินาทำบุญนั่นแหละมาละบาปนั่นแหละมาที่นี่ตรงๆเข้าไปเลย พอมีสติเวันละความชั่วมีสติก็ทําความดีมีสติก็กิตบริสุทธิ์มันไปได้เลยทีเดียวนะปฏิบัตนะิธรรมสนุกเห็นตรงตรงไม่ต้องไปเปิดตำราอ่าวัตถุอันเดินวัตถุที่ึงที่สองมาเปรียบเทียบมีเครื่องมืออุปกรณ์ไม่ขีดเขียนไม่ต้องพอหลงกับรู้ทันทีอยู่ในนั้นอยู่ในที่เดียวกัน หลงอยู่ที่ใดมีลูกอยู่ที่นั่นทุกอยู่ที่ไหนมีไม่ทุกอยู่ที่นั่นโกดอยู่ที่ใดมีไม่โกดอยู่ที่นั่นเกิดอยู่ที่ใดมีไม่เกิดอยู่ที่นั้นแก่อยู่ที่ใดมีไม่แก่อยู่ที่นั่นเจ็บอยู่ที่ใดมีไม่เจ็บอยู่ที่นั่นตายอยู่ที่ใดมีไม่เจ็บอยู่มีไม่ตายอยู่ที่นั่นมันตรงกันข้ามมองตรงกันข้ามมาอย่าไปจนนักปฏิบัติไม่จนไม่จนต่อ อาการที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ต้องพูดว่าจนใจอย่าพูดลอยไม่ต้องจนไม่ทางทําหลงเราก็รู้ทันทีล้วมันทุกข์ก็รู้ทันทีรวมรู้มันจะไปซื่อปหาที่ใดต้องสร้างไว้ต้องประกอบต้องใช้ไว้ให้ชำนีิชํานาญเมืันเราใช่อะไรที่มันใช่ชํานานมันก็คล่องแคล่วดีไม่สับสน ชัดเจนที่สุดชีวิตของเราจะใช่อะไรจะไม่ขวดบางกวดบ้า ง, างชัดเจนแม่นยำไม่ได้คิดละเ อ, อีแต่บางคนอ่ะขวดบ้านก็เป็นทุกข์ยุ่งยากทําไรก็ไม่เอาความยากกับความให้ไปใช่เอาความผิดความถูกไปใช่ตอมลงไปเป็นกรรมเป็นการการะทํามาใช้เรื่องเหตุผลกรรมฐานไม่ใช่เรื่องเหตุผล เป็นการกระทําลงไปให้มันชัดเจนกับการใช้ชีวิตหนาให้เป็นชีวิตที่ชัดเจนแม่นยําดีๆอย่าพลาดยันเราเพิ่งขัดไปใหม่เนี่ยถ้ามันไม่ชัดเจนสร้างสติยกมือสร้างจังหวะ ก, ก็ก็ตั้งต้นใหม่อย่าไปเอาอันเก่ามันมันอาจจะเก่าแก่พลาดพลาได้ตั้งต้นใหม่ ยืดตัวขึ้นพอนั่งไปนานหลังโคดหลังงอปวดแขนปวดขาก็ยืดตัวขึ้นวางใบหน้าวางเอววางหน้าอกวางต้นคอดีๆอย่าไปนั่งโคดหลังกงหลังงอกมหน้าก้มตามันไม่เปิดเผยกายเราก็มีที่วางให้เหมาะสม าตาแล้วก็มีที่วางให้เหมาะสมจิตใจของเราก็มีที่วางให้เหมาะสมปฏิบัติทาําในอมยิ้มไว้สักหน่อยอย่าหน้าบูดตาบึง้งเหมือนกับยุ่งยากให้ยิ้มยิมไว้หัวล็อกไม่ก็ทั้งความทุกข์มาด่าตัวเองไอ้บ้าเอ้ยท่านี้ก็ทุกข์เลยนะอะไรก็ยากไปนะ่ะมึงจะทําอะไรได้ด่าตัวเองอ่ะมันสนุกดีอันดา่าคนอื่นไว้สนุก ผมยิ่งไว้ใจดีๆไว้วางใจไว้ดูมันดีดีเมื่อเราจะเขียนหนังสือถ้าใจดีเขียนสวยสวยทำอะไรก็สวยเ้าใจร่ายทาอะไรก็ปิดป่าไ ป, ปตอเราจึงวางกายวางใจยืดตัวขึ้นตั้งต้นใหม่สร้างจังหวะใหม่ถ้ามันผ่าก็ตั้งต้นใหม่สร้างจังหวะตอนง่วงนอนก็หาฉากใหม่ จากนี่มันใช่ไม่ได้มองไปไกลๆท้องฟ้าทิศเหนือทิศใต้ตะมันตกตะนออกมองอยอดไม้ให้มันออกไปทางนอกสักหน่อยมันเบิกบานแล้วก็กลับมาสอนตัวเองก็ไปอุบายบ้างอย่าเป็นคนซื่อบือ้อนั่งเหงาหลับเหงานอนสมอง ก, ก็แก้กยัวไม่รู้จักเกี่ยแก้ไขมันก็ไม่ได้ ปีิมาสีปียีสิบ ป, สปีสามสิปียังนั่งจะปะโงกอยู่มันใช่ไม่ได้ล่ะต้องชัดเจนสร้างจิตวะชัดเจนต่อไปก็ไม่ต้องสรกกางก็ไดนะ้ลยงหตวะเนี่ยมันก็อยู่กับเราแล้วเหมือนเ่าเรียนหนังสือแต่ก่อนก็ไก่ยอยู่กระดาษนน่นแต่นี้ก็ไก่ยอยู่ในหัวใจเรานะ่ะมันเป็นข้อมูลมันมันให้ข้อมูลกับชีวิตเราเหมือนกับเครื่องโทรศ ศพได้น้อยเก็บข้อมูลได้ชื่อเป็นหมื่นหมืนชื่อแต่จิตใจเราเนี่ยที่มันให้ข้อมูลเนี่ยมันมีอยู่นี่แล้วไม่ต้องไปดูอะไรไม่ต้องไปสร้างก็ได้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีแล้วใช้ไปเลยแต่ว่าเบื้องต้นต้องหัดเสียก่อนหัดให้มันเป็นที่เป็นทางให้มันตั้งเสียก่อนหลังกำกรรมฐาน กรรมคือการกระทาฐานคือที่ตั้งตั้งไว้ตรงนี้ตั้งไว้ที่กายนะี่ว่ากายยาต้องปัญนาเห็นกายเห็นไปเห็นมาโอ้กายสักว่ากายไปแล้วปัญญาไปด้วยกันแล้วเห็นกายเห็นขันธ์หาเป็นอนัตตาเป็นปัญญาไปแล้วหลุดไปได้กายเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตา ว, วิญนญาเป็นอนัตตาถ้าเป็นอนัตตาก็หลุดพ้นไปแล้วพ้นจากปัญหาเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาสังขารเญญยนไปแล้วไม่ใช่ตนแล้วแต่ก่อนเป็นตนเต็มไปหมดเลยในกายก็มีตนร้อนก็กูหนาว ก, ก, ก, ก็กู้ทุกขก็กูทุกข์ก็กูหิวก็กู พอมาเห็นเป็นอันตาเ อ, อ๋อไม่ใช่กูเลยเป็นจากว่ามันก็ฉลาดไปปัญญาเกิดขึ้นบิปััชนาเกิดขึ้นแจ้มแจ้งเห็นว่ามันไม่เที่ยงสริงใดไม่เที่ยงไม่ควนประยึทธ์ถ้าเป็นตัวเป็นตนไม่เป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเป็นปัญญาเพราะความไม่เที่ยงนะมันไปชอบตองนี่มันแตกฉาน <c oughs> สิ่งใดเป็นทุกข์มันเป็นปัญญาแต่ก่อนความทุกข์เป็นทุกข์ผู้ศึกษาไปอ้าวความทุกข์มันเป็นปัญญาได้เป็นนิพพานได้ด้วยสัมปายเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนอนย่อมเหนื่อยหนยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนอนเละเป็นทางแห่งพระนิพพานนอนเป็นธรรมหมดจุดนอเปลี่ยนร้อยเป็นดี ผู้เจ้าตัดสู่บนกองทุกเห็นทุกเป็นการเห็น่ักประเสริฐบางคนไม่เคยมีทุกเลยเคยไปสอนสาสรสอนธรรมที่สิงคโปร์ผู้หญิงคนหนึ่ง <c oughs> เขาโวยวายไม่เห็นมีทุกตรงไห น, นงานงานก็ดีเงินก็ดียายพี่น้องก็ดีบ้านเรือนก็ดีไม่อดประอยาก ไอ็ทุกตรงไหนเขาจะโอวัตถุมาเป็นความสุขเหอวัตถุยอดดีพี่น้องดีเงินดีงานดีอาหารมีกินอันนั้นหรือเป็นสุขอ่ะไม่ทุกตัวนั่นหรืออันใจมันเป็นยังไงมันท่องเที่ยวไปไหนใจนะไปเลิกไปชังไปเบียดเบียนใครไปเกิดลียดเจ็บใ จ, จ ย, ยังไง น, นั่นเขไม่รู้ว่าอา m i ต h แต่เป็นข้ออ้างนี่แหลมิตรสุขอา mith สุขจุกอาศัยอา m i ต h มันอาศัยได้แค่ไหนอา m i ต h เนี่ยในรูปของเราเนี่ยมันก็ไหลไปอยู่มันอาศัยมันได้ไหมนั่งอยู่นี่มันก็ไหลไปไหลไปไหนไหลไปสู่ความแจ็มันก็แจ็ไปอีกแล้ว หวันแล้วหดวงตาก็ไหลมาถึงเกติบกัวปีแล้วไหลมาไหลไปสู่ความเจริ์ไหลไปสู่ความเก็บไหลไปสู่ความตายเนี่ยคือรูปเนี่ยเราใช้มันแบบเพศใดใช่รูปเลยให้มันใช่เราหรือเราใช้มันเราใช่ตาหรือตามันใช่เราเราใช่หูหรือหูมันใช่เราเราใช่จิตใจหรือจิตใจมันใช่เรา ไม่อยากคิดบางก็คิดน่นก็ตกเป็นทาสของโลกอยู่ในอยู่ต่ำกว่าโลกย่องโบราณแล้วว่าไปเบืองคนเห็นคนขีช่างไปเบืองล่างเห็นช่างขีคนหมายถึงอะไรคนขีช่างก็คือเนี่ยสติจะดีเหมือน มืช่างกิเลสเหมือนหมาคนขี่ชสติเหมือนช่างกิเลสเหมือนหมาหมาเห่าช่างไปเมืองบนเห็นคนขี่ช้างเมืองบนเคยจิตใจมันสูงมันใจสูงมนุษย์มนุษย์ไปว่าใจสูงไม่ใช่ใขาสองแขนสองมนุษย์โซซีมาบวชเนี่ยนี่ก็เป็นหลวงตาบวชให้หลายรูปเลย เวลาอุ้มบาตมาถามมนุษย์โซซิเป็นมนุษย์หรือยังอาหมาพันเตเป็นมนุษย์แล้วเออบวชได้เป็นมนุษย์เป็นอะไรอยู่บวชไม่ได้มนุษย์คือใจมันสูงจนอุ้มบาทมามีศรัทธาอ่ามีศรัทธามาบวชมีเตปริญญาทั้งนั้นนั่งอยู่นี่นมีศรัทธามาบวชพ่อแม่ก็มีศรัทธาใจมันสูงมะ แล้วคนไม่มีศรัทธาใจไม่สูงมาบวช ไ, ไ, ไม่ไดกลัวไม่รู้จะกินยังไงไม่รู้จะนอนยังไงอดข้าวเย็นได้หรือเปล่าจะอยู่คนเดียวได้ไหมย่างนี้เป่าก็ใจมันต่ําเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนดวงยุงมีดีที่เว้ขนถ้าใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคน ร่มเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบพูนเรียกมนุษย์สาเพราะพูดถูกทำถูกคิดถูกทุกเวลาเนะี่ยเป็นมนุษย์ใจมันสูงเมืองบนคนขี่ช้างใจมันสูงเห็นวความกดความโลภความหลงเป็นของต่ำๆเปิดเปื้อนของเลวสามจบกระปุกเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่เห็นเด็กน้อยลินขี้โคลนเนี่ย แล้วกอ็อุ้มขึ้นมามาล้างแต่เด็กน้อยมันชอบที่โคนเด็กน้อยคือใจมันต่ำถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยเด็กคือใจมันต่ำๆอะไรก็งอแย่ร้องห่มร้องไห้เขาจะใจตัวเองเราเป็นผู้ใหญ่เราโอ้รู้เหตุรู้ผลจับจังชังคิดพูดถูกทาถูกคิดถูกไปบางล่างเห็นช่างชีโคนใหญ่มันต่ำ ผมโกรธขี่คอความทุกข์งมหลงขี่คอรับใช้ความโกรธรับใช้ความทุกข์รับใช้ความหลงรับใช้ความลักความชังไปตามๆความลักความชังไปเสียผู้เสียคนหนึ่งล่างคือใจมันต่ําเราจึงมาฝึกตนสลดมันครบทุกอย่างถ้าปฏิบัติธรรมน่ะวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่กวดวิชาวิชาเอกเอโกะมัโควิสุทธิยะ การศึษาเรื่องสติเนี่ยเอกมาก่อนมิจัยเอกอันเืินเอกเนี่ยเอกชีวิตเนี่ยจะเลยมันได้พาตัดมันเลยอันทุกเนี่ยมันไม่จริงหรือมไม่จริงอ่ะ ม, นน ม, มันทุกมันเป็นสมมุติเฉยๆผ่าตัดลงไปอันทุกมันเป็นสมมุติปัญญัติอันความทุกเป็นปรามาจิตจักมันจริงกว่าความทุก ค, ความไม่ทุกนะ รมโกรธเป็นสมมุติบัญญัติตั้งขึ้นเองว่าเราโกรธบัญญัติขึ้นเองว่าไม่โกรธเป็นประมาทชัตจักมันจริงกูกันหาตัดนลงไปศึกษาเรื่องนี้ไม่เหมือนศึกษาทางวิชาการถ้าเขาศึกษาเรื่องกายนี่เ้าก็ต้องหอรือว่ากายวิภาคเอาผ่าเอาศอกไปผ่าตัดอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่ง เรื่องศึกษาเรื่องธรรมะเนี่ยผ่าตัดตัวเองนะ่ยความโกรธความโลภความหลงมันมันไม่ใช่ตัวใช่ตนอ๋อปันหายไปเลยนะี่ยรักษานี่หายได้ยใจมันมีในชีวิตเราทําไมต้องต้องโกรธจนตายหลงจนตายทุกจนตายน่าเสียดายเสียเปรียบความโกรธความทุกข์ทั้งทั้งที่ไม่มีอะไร อันเป็นสมมุติขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวอารมณ์ของคนน่ะอารมณ์เนี่ยมันล่ปวเสือเสือไม่ค่อยกัดคนหรอกแต่อารมณ์มันทำลายคนมากที่สุดในโลกข้าตัวตายก็ได้ข้าคนอื่นก็ได้เนี่ยวิธีปฏิบัติี่ยไปเห็นหลักฐานเนี่ยคือเห็นกายเห็น จิตเห็นรูปเห็นธรรมรูปธรรมนามธรรมมันทําชั่วมันทําดีเราต้องมั่นใจว่าจะใช่รูปเนี่ยทำความดีจะใช่นามเนี่ยทำความดีจะใช่รูปละความชั่วจะใช่นามละความชั่วมันก็อยู่ที่เราเนี่ยจึงเป็นการศึกษาแบบแบบรวมทั้งหมดเลยเหมือนตลาดนัด สะดวกมาเองความหลงมาเองจะได้เห็นความหลงได้เปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงเสร็จไปเสร็จไปเสร็จไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปเอาความหลงไว้หลังเอาความทุกข์ไว้หลังเอาความโกรธไว้หลังเลื่อยไปเลื่อยไปแม้มันมีก็ไว้ข้างหลังนี่คือปฏิบัติธรรมศึกษาชีวิตของเรา มาเป็นพวงความดีมาเป็นพวงความชั่วก็หมดไปเป็นพวงเหมือนกันทําไปทําไปเอ้ามันผ่านไปเท่าไหร่ละมันผ่านไปเท่าไหร่มันรู้หายไปเท่าไหร่บางอย่างไม่ต้องไปทําอะไรเพราะวันได้หลักฐานมันก็หมดไปเลยเหมอนเราเอขึ้นต้นเอาเอามาัมาพุชชา พุชานี่เราอยากกินลูกกันเพียงแต่ขยินิดหน่อยก็หล่นแล้วกิเลสของคนบางอย่างกิเลสของเราบางอย่างเพียงแต่นิดหน่อยก็หล่นไปแล้วเห็นความโง่ห ล, ล ง, งมากมา ย, ยหมดไปก่อนเลยพอเห็นส ม, มุติปัญญิหมดไปเลยนะนั่น น, นี่อ่ะมันสนุกดี การศึกษาเรื่องชีวิตของเราไม่เป็นกบเป็นกรรมขึ้นมานะ่ะเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาต่างเก่าพ้นภาวะเก่าวิปัสสนาคือต่างเก่าพ้นภาวะเก่าต่างกับเดิมเคยหลงไม่หลงแล้วเคยทุกข์ก็ไม่ทุกข์ถ้าทุกข์สักร้อยกิโลน่ะถ้าจะศึกษาไปไมันจะทุกข์สักห้าสิบกิโลเหลืออยู่ห้าสิบกิโลก็ยังเบาหน่อย เบ้าโกก่อนวถต่างเก่าเขาวัดกันทางนี้เขาไม่วัดกันด้วยเพศด้วยวด้วยสมมติปัญญิเขาวัดกันด้วยคุณธรรมถ้าถ้าถ้าน้ำหนักของความทุกข์ร้อยกิโลเป็นปุถุชนอาวันนี้เป็นให้วัดก็ได้ทุกร้อยกิโลรองง่ายปุถุชนเต็มที่ ถ้าดีใจร้อยเปอร์เซเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่กิโลแล้วดีใจร้อยเปอร์ซก็เป็นปุถุชนเสียใจร้อยเปอร์เซ็นเป็นปุถุชนถ้าเสียใจเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นพระอนาคามีเป็นพระโสดาบันได้ ถ้าเสียใจห้าสิบเปอร์ซ็นเป็นพระสกิทาคารมถ้าเสียใจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเป็นพระนาคามีถ้าไม่เสียอะไรเลยปกติเป็นพระอรหันต์ได้ถวัดกันนะถ้าจำได้ใจของเราต้องปกติเสร็จไหมมันเนี่ยเอามือเนี่ยปกติวันใจปกติเป็นบ้านของใจปกตินะี่สันนิษฐานก็ ปกตินินทาก็ปกติ <c oughs> ปกติถ้าผู้คนน่ะสนเสริญดีใจร0 0นินทาเสียใจร0 0ถ้าอสนเสริญดีใจจเกะเป็นพระโสดาบันยังไม่ถึงร0 0ยนยับยั้งลงมาได้ถ้าเสียดีใจ 50% เป็นพัทธิฆามีโยงมาได้ปกติถ้าจ๊ดีใจอ่เอ้าพูดอะไรอ่ะสมมุติหรอแล้วแต่เพราะนันนี้อย่าไปเอาอืน่นวัดกันนะเขาวัดตัวจิตใจบ้านของใจคือปกติแนละ้วปกติเนนทาก็ปกติสันสนก็ปกติเจ็บป่วยก็ปกติอะไรก็ปกติเนี่ยนี่คือใจที่พึ่งได้นะ นี่อมตะตรงไหนอันชีวิตของเราไม่อมตะหรอกแต่าจาใจดีโอ้ยฝึกได้ยอดเยี่ยมที่สุดนะมันฝึกได้สอนได้กิจใจของคนเราเ น, นี่คือกรรมฐานนะไม่ใช่ออื่นวัดกันนะฮะก็ เ, ะเห็นฝึกไ ป, ไปมันจะปกติมารฐานมารฐานของชีวิตคืออะไรปกติคือไม่เป็นอะไรความเป็นอะไรไม่ใช่เรื่องชีวิตเรา มันมีอายุความรักก็มีอายุความโกรธก็มีอายุความยินดียินไล่มีอายุไม่ใช่จิตความปกติคือมันไม่เป็นไรเนี่ยเป็นเป็นชีวิตทงเราล้วนล้วนน่ะนี่คือชีวิตเราได้ชีวิตคือตรงนี่ละไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรอย่างนั้นอย่างหลวงตาเอานั่นพูดไม่มีไม่เป็นอะไรไเไรยยงลยเขียนเลยไม่ ม, ไ ม, ไ <laughs> ไ ม, มีไม่เป็นอะไรอะไรในโลกเนี่ยเนี่ยคือพูเลย นี่คือจิตใจนะแต่ภาวะที่ไม่มีไม่เป็นไรสนุกนะไม่ใช่เรื่องจืดชืดนะสนุกกับการใช้ชีวิตเลยถ้าเป็นอะไรล่ะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นได้เป็นเสียเป็นอะไรต่างๆไม่ไม่ใช่ชีวิตหรอกมันไม่มันมีมันมีอายุอันควรไม่เป็นไรเนี่ยเป็นไม่มีอายุเลยยาวเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีใครเกิดใครแก่ใครจะไปตายเลยภาวะไม่เป็นไรนะ อันนี้ไม่เหลือวิจัยที่เราทำได้ไมันอยู่ที่เราเนยพอรูปปั๊บก็บปกติแล้วรูปปั๊บปกติมันเริ่มทำแล้วลรมไปตรงนี้แล้วถูกปั๊บดันตีปฏิบัติต้องเข้าไปดันตีปฏบัติออกจับทุกปฏิบัตออิตตสมควรตัวเนี่ยมันตรงเข้าไปแต่ไม่อ้อมแ้มเลยนี่หลวงตาพูดให้ฟังเป็นส่วนประกอบให้แผนที่ให้ข้อมูลเอาไว้ อย่าไปเห็นสีแสงอะไรต่างๆเห็นนิมิตอะไรต่างๆอย่าไปสนใจมันให้เห็นกายเราเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่เห็นกายเห็นเวทนามันจะเป็นสุขเป็นทุกข์หลงตัวนี้เห็นหลงที่กายหลงที่เวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์หลงในความคิดความคิดก็ว่าให้หลงอะไก็รู้มันจะด่านสี่ด่านเนี่ยคือกายเวทนาสุขทุกข์เนี่ยอย่าหลงความคิดก็อย่าหลง ทำคือมันฉลาดมันโง่ ก, ก็อย่าไปหลงค่มไล่คุมดีอย่าไปหลงวันนี้ไม่ดีเลยห ล, ยลงตาวันเนี้ยเครียดมากง่วงนอนอย่าไปหลงเห็นมันแต่เนี้ยถ้าไม่หลงสี่ด่านเนี่ยไปได้ไขกุญแจแชยโซได้ถ้ายังไขกุญแจแจยโซสี่สี่ด่านเนี้ไม่ได้ก็ยังยังเอายู่เนี่ยมันก็ฉลาดไปเรื่อยๆดอกอย่าไปเอาผิดเอาถูกอย่าไปเอาได้เอาไม่ได้ เป็นการพบเห็นไปเรื่อยๆไปอ่าหลวพ่ผมควญเจรร า, าวันนี้พวกเรากราบพระพร้อมกัน